ฉัล คล้ า, ายมาหลายพ่อทออ้อยตาธูเดอพญาเต่างอนดูกระดองควยควยหนาแต่ย่อยหลายต ใครคยน่ะแต่หน้อยเลยโต ตาวเตาไม่รอคอย